ทัศนคติของคนหมื่นคนนีมันแทนความเห็นของคนห้าล้านหกล้านคนได้การเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันไม่ต้องเรียนรูปนามทั้งหมดรูปนามทั้งหมดมีเยอะรูปมีทั้ง28สรูปนามมีตั้งเยอะแยะมีนามจิตหนึ่งนามเจตสิกอีก5บไม่ต้องเรียนทั้งหมดไม่ต้องเรียนสภาวะธรรมทั้งหมดเลยเสียเวลาเรียนเมื่อไหร่จะหมด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 ไม่ใช่เลือกตามใจชอบวิหารธรรมที่เราต้องใช้นกะ็อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมพูดง่ายๆก็คือรูปธรรมกับ น, นามธรรมาทเท่านั้นเองนะรูปธปรรมนามธรรมานะไม่ต้องรู้รูปทั้งหมดหรอกไม่จำเป็นนะรู้บางรูปพอๆ อ, นะอย่างเวลาเราหายใจหายใจเราเห็นรูปเวลาหายใจเข้ารู้สึกไหมมันเย็น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 ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในใจนี้เท่านั้นมีคาว่าเท่านั้นเลยอันใดอันหนึ่งไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างใตรักเนี่ยเห็นนั่นเดียวพอบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาในกายในใจนี้ใช้ได้แล้วเห็นนั่นเดียวแต่ต้องเห็นอยู่ในใตรักเนี่ยอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาอันหนึ่งเพราะเรามีความรู้สึกตัวแล้วอันนี้ทำยังไงดีที่จะให้เกิดปัญญา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 มีรูปให้ดูได้นะเนี่ยอีกมีปะกอบอ้าวเชิญนิมนต์เลยครับนิมนต์